เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ล่งพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องพุทชงเจ็ดประการสืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาถึงประเด็นของสมาธิสัมพุทชงคือองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัตสรู้ธรรม แล้วก็อุเบขาสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัตเจรุธรรมคื อ, อเบขาคือสมาธิกับอุเบขานั้นที่จริงเป็นองค์ฌานนะฮะแต่ว่ามันมีความประนีตกว่าเป็นองค์ฌานในเจตุทะฌานในเจตุทะฌานนั้นก็เรียกว่าอุเบขากับเ อ, อกัคคตาแต่ว่าในโพชฌงค์ก็เรียกว่า สมาทิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชงคือปฏิทิภาพสูงกว่าแต่ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่จอตุเตชานแล้วก็ได้กล่าวทั้งเหตุที่ให้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงมาโดยลำดับคือค่อนข้างส ล, สลับลำดับอยู่น้อยหนึ่งเพราะว่าต้องการได้มองภาพกว้าง ที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือชลังกุเบขาวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายแนอารมณ์ทั้งหกคือเวลาตาเห็นรูปผูกขงังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรถกายถูกต้องเย็นน้อนอ่อนแข็งแล้วก็คงไม่หารูกเบขาวางใจเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมของเขา คือเขาเจริญรุ่งเรืองด้วยผลของกุศล ก, กรรมในตอนแรกเราก็มุทิตาต่อจากนั้นกเบคาเขาประสบผลของบาปอังกุศล ก, กรรมแม้ก่อนเราจะเมตตาอยู่แต่ตรงนั้นก็ต้องทำใจเป็นอุเบคาเพราะว่างอกวิสัยที่จะแก้ไขได้วิยี เปกขาความเพียรอย่างท่ามกลางคือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปก็าการทําการงานที่จริงเราจะทําอะไรก็ตามนะครับถ้าเพียรมากไปมันก็ฟุ้งซ่านมันประสบความทุกข์ทรมานถ้าเพียร น, น้อยไปมันก็หย่อนแล้วก็หนักไปทางง่วงนอน เพรานั้นจะต้องประครับประคองความเพียรกับสมาธินี้ให้เป็นไปด้วยกันถ้าความเพียรเปลี่ยนมากก็คุ่งสัน้นถ้าสมาธิมากก็ง่วงแต่เมื่อจับให้ประสานสัมพันธ์กันคือส่งเสริมสนับสนุนกันก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีแล้วก็พูดถึงสังขารุปเปขาคือวางเฉยต่อรูปนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ก็ใจต้องความเป็นจริงบ่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง ต, ะ ต, ะตาตาแก้มันเป็นของมันอย่างนั้นเองเป็นเอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวังนาติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ประการต่อไปเวทนุเคคบขาวางใจเป็นกลางเวลาประสบเวทนาทั้งหลาย เวทนาที่ปรากฏเด่นชัดในชีวิตของคนเราเนี่ยคือสุขทุกข์กับไม่ทุกข์ไม่สุขนอกนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดแล้วเป็นเรื่องจะต้องอาศัยพลังของสติสัมปชัญญะความเพียรที่หนุนช่วยอย่างแรงถ้าไม่งั้นเราก็แยกไม่เคยออกหรอกเจนก็ออกมาเป็นเวทนาห้าอย่างเงี้ยเวทนาห้ายางพอไหวนะ่าก็แยกได้ง่ายหน่อยเวทนาเก้าเนี่ยจะยุ่งมาก กูจแยกยากเจนวสุกเวทนาสามิสุกเวทนานิรามิตรสุขเวทนาพอทุกเวทนาก็เหมือนกันทุกเวทนาสามิทุกเวทนานิรามิทุกเวทนาพออนทุกขมสุก็เหมือนกันอนทุกขมสุเวทนาสามิอมทุกอมทุกกมสุเวทนาแล้วก็นิรามิทอนทุกขมสุเวทนา เรื่อปราศจากอมิตรกมีอยมิมีอมิตรนี่พอพอแยกออกแต่ปราศจากอมิตรนี่มันทำยากเพราะพวกนี้ต้องมีนิพานเป็นอารมณ์การไปบัตรก็ต้องต่ระดับขึ้นไปํากํบบาลังความสามารถที่จะทำได้เวทนาในแง่จริงๆมันเป็นขันและมันเป็นจิตสังขาร คือเป็นขันหนึ่งในขันห้าเป็นนามขันแต่มีฐานะเป็นเจตสิกซึ่งทำหน้าที่ปรุงจิตของคนคู่กับสัญญาเวท น, นาในแง่ของความเป็นจริงก็คือตกอยู่ในกฎของใจรักเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในบทสวดในบทสวดเนี่ยเรียบเรียงไว้ไพรวมาก เวทนานิจารเวทนาเป็นของไม่เที่ยงจิงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิึงใดเป็นทุกสิ่งนั้นใช่ตัวใช้ตนจึงใดใช่ตัวใช้ตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช้ตนของเราแล้วก็ว่าไปในข้ออืนอ่นๆต่อนะฮะสัญญาสังขารวิญญาณก็ว่าไปเรื่อยเพื่อพยาไม่คนมองนะถึงความจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง แล้วก็จริงเราก็ไปยึดถือมันเนี่ยทำให้มันมีอิทธิพลต่อใจเราถ้ามันหนาวเราก็เฉยเฉยจะร้อนเราก็เฉยเฉยหิวก็เฉยเฉยใช่มมันก็ไม่เหนีอวหนาอิทธิพลอะไรแต่พะเราไม่ค่อยเข้าถึงความจริงมันคล้ายๆกับว่าเวลานามันเกิดเจาะจงเราคนเดียวแตจริงล้วมันเป็นของมันอย่างนั้นเอง คือเวทนานะั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเองมันเป็นอนิจังเป็นตุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาพอเมื่อเวทนาข้อใดข้อหนึ่งเกิดก็เจอ๋อเจ๋อเจ๋อไม่แสดงอาการยินดียินได้อะไรมากเกินไปประการต่อไปนั้นเป็นวิปัสสนุปเปขาเรื่องละเอียดขึ้น เป็นระดับวิปัสนาที่จเจริญขึ้นมาโดยลำดับจนสามารถวางใจเป็นกลางในเจตสิกที่รับอารมณ์ทั้งหกประการคืไม่ว่าเราจะรับอารมณ์โดยเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลหรือกลางกลางก็ตามนะรับโดยกุศลก็ไม่ยินดีรับโดยอกุศลก็ไม่ยินร้ายก็ทําใจมตัตยะกลางกลางทำนองเดียวไปจงฉลังคู่เบกขาแต่ตรงนี้มีปัญญาข้อํากับเยอะ จะรังคูเปกขานั้นมันก็เน้นไปที่การใช้สติแต่ตรงนี้เน้นไปที่การใช้ปัญญามองเห็นหนามารูปเหล่านั้นก็ปรากฏเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็แตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันก็ต่อไปตัตระมัตชัดตุเปกขา การวางใจเป็นกลางต่อเจตสิกที่เป็นกุศลเป็นกิริยาแล้วก็เป็นอาเหตุกิริยาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องสัมผัส น, นะนะคือถ้าเรียนกันจริงมันก็ต้องเขียนชาติในกระดานแต่ว่าเราก็ไม่เอาขนาดนั้นเพราะว่าเป็นการบรรยายจับไปว่าเป็นปริยายก็อุเบกขา เดือต้องการใ้ทราบเฉพาะปริยายของอุเบกขาท่านั้นเองว่าท่านจําแนกไว้เป็นสิบประการแล้วก็ต่อไปก็ชาอุเบกขาคื อ, อเบขขาในองค์ชาลองค์ชาลตัวนี้มันมาอยู่ที่จตุทชาลจิตมันเป็นเอกะกะตาคือสมาธิคือสงบอุเบขามันก็เกิดวางเฉยต่อสุขในรูปาวจรชาล สุขที่ปรากฏขึ้นที่จริงเราจะเห็นว่าสุขนี่มันปรากฏในปฐมฌานในทุติยฌานในตะติยฌานแต่ในเจตุตฌานไม่มีสุขมันมีเฉพาะสมาธิกับเอกักตาสุขจะไม่ปรากฏเด่นชัดเพรา ะ, ะนั่นก็พานอยู่ในฌานก็ใดก็ตามนะฌานหนึ่งสองสามเนี่ยใจไม่พูขึ้นเพราะสัมผัสสุข แต่ก็สบถสุขโดยมีปัญญารู้เท่าทันเพราว่าในขณะนั้นสมาธิมันก็สร้างปัญญาขึ้นมาทําให้เกิดอาการรู้เท่าทันตามความเป็นจริงมันก็เท่านั้นแหละสุขมันก็เท่านั้นทุกมันก็เท่านั้นปริสุดทุกเปกขาการวางเฉยในปัญจมมชานนะครับ บรรดาประชานนั้นก็เป็นองค์ฌานซึ่งตามปกติแล้วนในพระบาลีจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงแค่สี่ตานั้นเองแล้วก็มาปรากฏในเอกสารรุ่นหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะพิธ ร, รมมาพูดถึงห้าก็ชักจะยุ่งยากนิดหน่อยในการทำความเข้าใจเพราะว่าในประธมประชานที่ทรงแสดงว่าวิตกิจา์มัน สงบไปในทุเตียชาญเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลอยู่แล้วพรวิตกันใดวิจาร์ก่อนั้นวิจารอันใดวิตกันนั้ น, น, อ, น, กก อ, น, น, นอันหนึ่งดับอันหนึ่งเหลือเนี่ยมันก็นึกไม่ออกอนะ่ะนึกไม่ออกก็มันจะเหลืออยู่ได้ยังไงแต่วันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดเราก็ไม่ต้องออกมากแล้วก็มาถึงอุเบกขาในพุทชงที่จริงอยู่ข้อที่สามนะฮะ แต่ว่าต้องการจะมาเน้นที่ตรงนี้เป็นอุเบกขาดั้นอุปาอิขะแปลว่าเข้าไปเพ่งดูมันเป็นอาการของปัญญาที่บุคคลได้ใช้ไปในการเพ่งในการพินิพิจนาเขาเรียกว่าวางใจเป็นกลางต่อสัจจธรรมคือธรรมะที่เกิดร่วมกันเดืเกิดพร้อมกันในเกิดร่วมกัน แล้วก็พยายามปรับให้ธรรมะเหล่านั้นมันสม่ำเสมอกันไม่มีอะไรมากกว่าอะไรเป็นเรื่องของอินทรีย์ห้าประการ่ต้องปกติเราจะเห็นว่ายัางแนวของชาวพุทธเราเนี่ยเวลาศรัทธาบางทีก็หัวปักหัวฟัมไปปักอยู่ที่คนคนเดียวไม่ว่าพระในพุทธศาสนามีรูปเดียวแตนเอง อาจารย์เราอาจารย์เราแล้วก็แย่งการเป็นข้าเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันคือต้องเราลองสังเกตน่ะข่าวคลาดต่างๆที่เกิดจากแต่พระดังๆเนี่ยคือมามองเหมือนกับเด็กแย่งตุ๊กตากันคือมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องการเป็นเจ้าข้าเจ้าของบางคนก็ถือเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแพยานามจะใกล้ชิดในสุดไม่ยอมกัน มันมันจะเกิดจากคนใกล้ชิดเนี่ยไปทำลายตุ๊กตาเพราะว่าเมื่อมันแย่งไม่ได้เนี่ยเหมือนเด็กแย่งตุ๊กตาเแย่งไม่ได้เลยก็ทำลายตุ๊กตาก็เรียกว่าฉันก็ฟ้องไม่ได้เธอก็ไม่มีสิทธิครอบครองไปทำลายเลยอันนี้เป็นความรุนแรงคือแสดงว่าเป็นสัตธาจริต ม, มันนอมใจเชื่อไปเฉยๆเป็นโกนกกเกิดอยู่ในสะจ่อยนึกว่าดีเท่านั้นแหละ แล้วก็ครูบาอาจารย์ตัวเองก็เป็นมาฐานที่ใครไปแตะต้องไม่ได้อะหลายปีมาแล้วมีพระดังรูปหนึ่งก็ไม่ต้องออกชื่อกหรอกมันลูกศิษย์โปรโมทใชจนโลดอัดเลฟังข่าวคราวต่างๆเนี่ยพอดีเขาก็มาที่วัดเขาไปกราบพระผู้ใหญ่แต่พอดีอาตมานั่งอยู่ที่นั่นด้วยเขก็ มากราบแล้วก็บอกเขาว่าคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นเวลาเนี้ยลูกศิษย์มันเชียดมากไปก็เรียกว่าใ ส, ส่สีตีตีขาวมากไปหน่อยใ ส, ส่สีตีไข่หรือตีขาวอันเนี้ยนะมากไปหน่อยถ้าต้องการจะอยู่ให้ยั่งยืนเนี่ยเราเป็นยังไงเราก็เป็นขางเราอย่างนั้นอย่าไปโปรโมทอ้มากเกินไป นันจะเกี่ยงเกินพระพุทธเจ้าไปตอนหน้ามาเป็นประโสะลพลคณพรลูกศิษย์โอ้จะเป็นนินทากันเยอะเลยเดียวคุณโสลพลคณะพรเป็นใครที่มาบังอาจมาเตือนอาจารย์ของเราเดี๋ยวเขาเตือนด้วยความสงสารนะเราจะเห็นว่ามันเบ้อไปหน่อยแต่ผลสุดท้ายมันก็พังไม่เป็นเรื่องไปนั่นคืออะไรคือทุกศิษย์ในศรัทธาเหมือนกับเทพเจ้า ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ตัวเองเหมือนกัเทพประจาวแตในที่สุดบางทีก็ช็อกหายไปเลยพออาจารย์ตัวเองมีปัญหาเกิดมาเนี่ยไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมเลิกแล้วไม่มีพระดีแล้วนะเพราะว่าอยู่ในโลกแคบแคบพราะศรัทธาในแนวที่น้อมใจเชื่อก็อเรียกว่าทิโมกเนี่ยมันมีปัญหาในตัวของมันเองเพราะในที่สุดก็ทําให้บุคคลเหล่านั้นน่ะ ไม่กล้าใช้ปัญญาเราเจ็นว่าแม้แต่ศาสนาที่นับถือพระผู้เป็นเจ้านนะเนี่ยนะฮะแต่เราเอาวิธีการคิดแบบพุทธขึ้นมาจับที่ตัวพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยปัญหามันเยอะเคยคุยกับนักสอนสาศาสนาที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าคุยกันนานมากตอนนั้นน่ะมาเพิ่งบวชสามพรรษากันึ่ง เราก็เห็นประเด็นบกพร่องเยอะที่เขาไม่เคยมองแต่เราเคยมองเห็นว่ามันมีปัญหาตรงนั้นมันมีปัญหาตรงนั้ น, ม, นมีปัญหาตรงนั้นหรือเรใช้ปัญญาและอยู่ไปได้เพราะม่ต้องใช้ศรัทธาแล้วกลายเป็นการยอมสยบศูนย์ความถูกต้องก็อยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าเพราะในแนวนักถือศาสนาแนวนี้แนวชาวพุทธเราเนี่ยศูนย์ความถูกต้องก็ออยู่ที่อาจารย์ของฉัน เป็นมาตรฐานถูกหมดเลยซึ่งบางทีเราเอาหนังสือมาอ่านเนี่ยไอตัวผิดไม่ต้องนับอยู่แล้วนะฮะที่พูดผิดเนี่ยก็เยอะผิดจากพระใจบิดกไม่ใช่ผิดแต่พี่ที่พี่เรารู้เราไม่รู้ถึงหรอกแต่พระใจบิดกเนี่ยเขาว่าไปอย่างหนึ่งท่านก็ว่าไปอย่างหนึ่งพระใจบิดกนั้นอย่าลืมมาันมาเป็นปฏิเวทออกจากพระไถ่ของพระพุทธเจ้า หลังจากเสดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นธรรมะจากอัตไธยคนเบื้อข า, ราตรงนี้มันต้องเพ่งมองตรวจสอบตัวศรัทธาดูวพราสศรัทธากับปัญญาเนี่ยเป็นยังไงมันล้ำหน้าอะไรกันมั้งหรือเปล่าเพราะถ้าศรัทธาล้ำหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นมงมงายปักใจฝังใจทุ่มเทลงไปชีวิตจิตใจ แต่ถ้าปัญญามากเกินไปในจุเพื่อปุจจากันไม่รู้เรื่องของกันเก่งอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องปรับห้สม่ำเสมอกันระหว่างศรัทธากับปัญญาในปรบับไปเสมอกันแล้วคนตรวจสอบก็คือสติเป็นตัวระลึกเพราะว่าสตินั้นจะแจมนะ่มใสนะฮะมาจะเริญกรรมฐานามาถึงจุดนี้สติก็จะเด่นมาก เป็นตัวพิจารณาเป็นตัวตรวจสอบแล้วก็ปรับสภาพของศรัทธากับปัญญาให้ไปด้วยกันได้คือสมาครสมอการแล้วกนุนช่วยกันในขณะเดียวกันอีกคู่หนึ่งเนี่ยคือสมาธิความตั้งใจมั่นจากการที่ไปบรรยายอบรมในไข้พัฒนาจิตมานานแล้วหลายปีแล้วจะเจ็ดแปดปี แล้วก็สวนมากมันจะเจอปัญหาคือปัญหานี้ก็วางไว้เป็นตั้งๆแล้วตอบไม่เคยหมดทุกทีเนี่ยมันเยอะเกินไปนักเรียนนี่คราวชุดหนึ่งก็สามร้อยห้าสิบขึ้นแต่เราควรเขียนมาถามข้อเดียวเราก็แยกแล้วเราก็ตอบไม่ไหวแล้วคือเวลามันไม่พอแต่เรเห็นอย่างหนึ่งว่าแนวของสมาธิเป็นนันมากเนี่ยมันเป็นเรื่องกรุงแตง แล้วเคลิบหลับแล้วก็ฝันแล้วก็จินตนาการเนี่ยมันจะมีเยอะมากนั้นก็แสดงว่าสมาธิกับความเพียรเนี่ยไม่หนุนช่วยกันถ้าความเพียรหย่อนเนี่ยใจมันจะน้อมไปทางม่วงทางสปปงกจิตใจไม่กระปรีกก้กระปร่าไม่เข้มแข็งไม่องอาจที่จะประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปได้ด้วยดี ทนี้ถ้าสมาธิเขามากเนียนะโดยความเพียรตามไม่ทางความเพียรไม่ได้ประกอบคือการจเจริญกรรมฐานเนี่ยทรงใช้ธรรมะสามข้อนี้ตลอดอาตาปีสัมปชาญโนสติมาวิเนยโลเกปิจาโดโภนาสังก็จะออกมาอย่างเงี้ยหมายความว่าใช้ความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายทางจิตที่แรงกล้าแล้วก็มีสัมปชานะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมคือปัญญา น, นั่นเอง แต่สติมาก็มีสติเพราะธรรมะเราเนี่ยสองคู่เนี้ยเป็นคู่ใหญ่แต่ถ้าเราดูสังคมเราเนี่ยนะมันเป็นปัญหาอยู่ดังสามสี่เรื่องไงมันขาดฉุกคิดหรือขาดสติบางทีที่ศรัทธาที่ไปนะมันขาดสติอย่างวันก่อนนั่งไปในรถไปฟังเขาวิพากษ์วิจารเรื่องอิสระมุนี อีคนก็สัมภาษณ์รองอนธะิบดีคนสุดที่วงแล้วก็ให้ชาวบ้านออกเสียงหรือแสดงความคิดความเห็นส่วนใหญ่ก็ออกออกความคิดความเห็นได้ดีนะฮะแต่เราเห็นว่าบางคนเนี่ยมันนอกเรื่องก็ขึ้นถึงก็ดา่าพระเลยพอดา่าพระมังก็ด่าหมด พระเดี๋ยวนี้บวชอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็แสดงไม่มีพระดีเลยในประเทศเนี้ยตัวเองรู้ได้ยังไงว่าเขาบวชอย่างนั้นเราไปถามหมดแล้วหรือเปล่าเราเราเราราไปสอบถามท่านบันทึกไว้หมดหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนะ่ะมันมันมันมันนอกเรื่องอะ่ะพูดแล้วก็นอกเรื่องแล้วก็นึกว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะด่าใครก็ได้ และนี่คือขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการพินิจพิจารณาเพราะการด่าเนี่ยที่จริงด่าอะไรก็บาปนะฮะว่าจีทุจริตแน่นอนมโนนั้นต้องทุจริตแต่เธอมีโทสะหรือมีโมหะหรือมีทิสยาก็ไม่รู้แหละก็วิเคราะห์ูจิตคือการกระทำอะไรก็ตามที่เป็นไปตามอำนาคของกิเลสนะมันเป็นบาปทนั้น แล้วพอสมัครพระก็องอาจขึ้นมาเคี่ยวนักเลงจริงก็ไปด่าชาวบ้านด้วยกันทพระเองก็มีผู้ปกครองนะเขมีระบบมีกฎเกณฑ์เป็นอาณาจักรหนึ่งนะฮะแล้วที่ผิดนี่เขาก็จัดการให้สึกไปแต่ว่าเราลืมไปว่าสกุลสีสีธนขันนะกี่ปีแล้วนะเกือบสิบปีแล้วยังไม่เห็นตัดสินเลยพอพระแล้วจับปั๊บก็ต้องให้สึกเลยอะไรเนี่ย มันเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็นพระในความเป็นส่วนตัวในความเป็นมนุษย์ของเขาแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญามันมองมาเรื่องอะไรเหรอแน่นอนเราตักบาตแต่เราเคยตักบาตเขาหรือเปล่าตักบาตเขาก็ได้บุญส่วนเราแต่เราไม่มีสิทธิจะไปด่าใครนะฮะไม่มีสิทธิจะด่ากลาดไปหมดเลย เคฟังมาหลายรายการแอ้วแปลกคนเนี่ยแม้แต่รายการรู้ธรรมนาชีวิตไม่ใช่รู้ธรรมนาชีวิตรายการธรรมาร่วมสมัยนะครัแต่พิธีกรเขาดีก็ตัดประเด็นนั้ไปได้เพราะในศรัทธากับปัญญานี่ต้องปรับไปเสมอกันมากเกินไปปัญญามากเกินไปก็เฟื่งศรัทธามากเกินไปก็มงมงายแล้วก็โกรธนะฮะกลายเป็นใครแตะต้องอะไรไม่ได้ใครไปแตะต้องไปโกรธเลย ทีนี้สมาธิกับปัญไอสมาธิกับความเพียรเนี่ยต้องปรับให้สม่ำเสมอกันสมาธิมากไปก็หนักไปทางง่วงนอนความเพียรมากไปก็หนักไปทางฟุ้งซ่านแต่เมื่อปรับเสมอกันแล้วเนี่ยจิตก็จะดำเนินไปได้ดีนี่ก็เป็นวิริยุเปกขาไม่ใช่เป็นโพวชังกุเปกขา คือการวางใจเป็นกลางต่อสัจธรรมให้มีกําลังเสมอกันคือศรัทธากับปัญญาเวิริยะกับสมาธิเนี่ยให้มีปัญญาสม่ำเสมอกันสนับสนุนหลุนช่วยเช่นกันเลยกันนี่ก็เป็นเรื่องของอุเบกขาสัพมพุทชงต้องฟังท่าไหร่แต่ราเปพุทธยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยพร้กันสวัสดี